จากรอยร้าวก้อนหินพุ่งกระทบกำแพงศิลาเกิดเสียงดังความดังของเสียงนั้นสงบเงียบลงในพริบตาก้อนหินหล่นกระทบผิวน้ำเกิดระลอกคลื่นวงคลื่นนั้นขยายเนิบออกไปสู่ความสิ้นสุดที่ขอบสระ ก้อนหิมเข้ากระทบแผ่นแก้วเกิดรอยร้าวรอยร้าวนั้นคงที่อย่างยากจะประสานคืนสำเสียงและรูปลักษณ์นานากระทบตาแล้วเกิดปฏิกิริยาทางใจน้อยคนมีใจเหมือนกำแพงศิลาที่ดังรูปเดียวแล้วเงียบหายหลายคนมีใจเหมือนพื้นน้ำจำกัดเขตความกระเพื่อม ส่วนใหญ่มีใจเหมือนแผ่นแก้วเปราะบางพร้อมร้าวถาวรใจที่ว่างจากรอยร้าวต้องแกร่งแน่นเหมือนหินผาหรือนุ่มเย็นดุดลำน้ำเรียบไม่มีใครใจแกร่งตั้งแต่เกิดความแกร่งเกิดจากขันติและอุเบกขาขันติคือตั้งใจอดกลั้น ไม่หุนหันพลันแล่นอุเบกขาคือเห็นโทษของการถือสาและประโยชน์ของการวางเฉยไม่มีใครใจเย็นตั้งแต่เกิดความเย็นเกิดจากเมตตาและอุเบกขาเมตตาคือปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอตนอุเบกขาคือเห็นตามจริงว่า ทุกคนไม่ได้ทำใครมากกว่าทำตัวเอง